โดยช่วยเหลือนะไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่ประหารชีวิตแต่ประการใดก็เรียร์ลอกก็ทุ่มห่อหอ่ห อ, อการให้พระนิพนธมหอมหมกหยิบยกขึ้นมาในใจอย่างนี้สิ่ในิตัยปัจจัยเป็นส่วนสำคัญของชีวิตไนดะ้แก่กรรมาฐานกรรมาฐานมีหลายอย่างอาตมาปฏิบัติประสบการณ์มาหลายอย่างตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆก็ยังไม่รู้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 มาสมัยก่อนนี่เรือก็ไม่เบีมีรถไฟมาสมัยราชการที่สี่ที่ห้านี่เองแล้วก่อนก็ไม่มีหรอกรถไฟก็ไม่สามารถจะแล่นไปทั่วประเทศได้บัดนี้จเจริญแล้วก่อนนี้ก็ต้องยนต์หนทางเดินทางไปบินท บ, บาทที่กรุงเทพก็มีพระบางองตานางจเจริญกุศลภาวนาอาตมาไปเจอมามีอยู่สามองโคดได้สิบสองภาษาไม่ได้เรียนมาก่อน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 ก็บอกว่าไม่เป็นลายไม่เป็นไข้ประหลอดไม่ขึ้นแต่ทําไมท่านร้อนเลือเกินต้องไปนอนแช่น้ําต้องไปนั่งแช่น้ําำหลองจะตายแล้วจะตายแล้วท่านนั่งอะไรรู้ไหมท่านเพลงกรสินไายท่านเพลงกระสินไผ่ตลอดเายการนี่มีก่อนพระพุทธเจ้านานแล้วไม่ใช่ทางพะเบ็ดมรผลแต่ประการใดหลวงพ่อกเกษมก็นั่งเรื่อยไปบอกเอาละหมอหมดก็รักษามไม่ได้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 บาดอาตมาพอเหมะพอเหมาะสำหรับอาตมาแต่ไม่พอเหมาะก็คนอื่นท่านก็ว่าอย่างนี้กรมการศาสนาสมัยก่อนสมัยใครสมัยหลวงหลวงบริลักษ์หลวงอะไรอะไรหลวงอะไรเป็นอธิบดีกรมการศาสนาจาจไม่ได้ช่แล้วคุณหลวงเป็นหลวงหลวงอะไรลงรักเนี่ยนะอา่าเป็นอธิบดีกรมการศาสนาจาไม่ได้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 ตอนเช้าก็ไปนั่งภาวนากันแล้วทันก็ไปพักผ่อนตอนบ่ายสองโมงก็จะออกไปที่หน้าลานหัวประชุมอาตมาผู้หนึ่งก็ไปนั่งด้วยก็มีประชาชนมีทุกมีทุกมาก็เขียนทุกในกระดาษใส่บาทไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาทไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาตไว้ฉันจะช่วยภาวนาให้อาตมาเป็นผู้แกงเวลาเสร็จแล้วก็เอากระดาษมาดู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 เพวิชานี้ไม่มีขายในตลาดอตมาก็ได้มาประการหนึ่งแล้วก็ตอนหลังจากนั้นมีการแจกพระสมเด็จองค์เล็กๆองค์ละยี่บ้าบาทลูกพอยีบห้าบาทคนหนึ่งต้องได้องค์เดียวหลายองค์ไม่ได้อตมาก็ฉลาดนะแต่ก็ไม่บาปเราะหลวงพ่อผมองคหนึ่งเอาไปแล้ววันหน้าต่อไปท่านลืมแล้วก็บอกหลวงพ่อผมองหนึงเอากรารก็ให้เช่า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 จาก20วาน้อมลงมาเหลือหนึ่งวาแล้วก็เหลือเท่ากับเม็ดงาใสาแจ้วนี่อย่างนี้วิชาธรรมการนี่ เ, เล่าคร่าวๆที่พูดนี่ทําได้ในเวลาการต่อมาที่ยังทําไม่ได้ก็นั่งมาต้องหาดือนกว่าแล้ววิธีนั่งทำยังไงสัมมาหังต่อาตา ม, มาก็ตั้งสจัจจะอันหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่เลอะไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่เลอะนายโบดเลยชิดยุบปีหนึ่งแล้ว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 รถเมขาวหรือเมแดงจําไม่ได้มันนานแล้วอาตมาก็ขึ้นไปต่อพายยากเพราะเราเป็นพระบันนอกยังเถื่อนมากแล้วมีร่มคันนึงก็เอาไว้บนบาเ ก, กะหมดไปก็อย่าโยมนั่งเต็มรถเราก็ต้องยืนแล้วก็รถวิ่งก็ต้องเอามือนอั่งเกาะลังคาไว้มีไอ้ไม้สองอันจําได้แม่นขอลังคาไว้เวลารถออกที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 จับสูดได้เลยมาได้ตอนเวทนาที่หมดไปต้องอดทนต้องฝืนใจถึงจะได้ผลเลยก็จับได้ตำราหนึ่งแล้วก็ทุระในเมืองเสร็จแล้ว ก, กลับมาก็ถวายรายงานแกหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดนั่นงาแกได้ตอนมีทุกหมดทุกแล้วถึงจะเห็นความสุขถึงจะเห็นแน่คือธรรมกายคุณจำไว้เราก็จำไว้อ๋อ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 เพลงกรบี่กระบองตามวัดนี่หัดลูกศิษย์ท่านบอกว่าสมัยก่อนมาเนี่ยต้องหัดลูกศิษย์วัดซีเพลงกรบี่กระบองน้าวลาวแลนมวยเพื่อจะได้เป็นพระทหารขององค์พระราชาลับใช้ชาติต่อไปแล้วก็เวลามีงานคนจุกจะจ้ให้ลูกศิษย์วัดไปลามกรบี่กระบองแล้วก็ได้6บาทยกครูจะได้มาแบ่งค่านักเรียนให้เด็กไปเรียนหนังสือต่อไปมีจังเพลงกรบี่กระบองมีวัดอะไมาจึงรู้เรื่องนี้มา